ถึอ่ะส بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة ا وال ل والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ب ك َ أ َ ص ب ح ن ا و َ ب ك َ أ م س ي ن ا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م و ت ُ و َ ب ي ك ا ل ن ش و ر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 رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم اعافني في بدني واعافني في سمي ع واعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و m i ا د a كلماته السلام عليكم و رحمة الله وبركاته พี่น้องพี่น้องที่ร่วมนมาซูโบที่รักทั้งหลายครับที่นมาที่มัสยิดนะครับแต่พี่น้องที่ติดตามรายการทับซีดที่อยู่ที่บ้านที่รักทั้งหลายนะครับทุกท่านฮามดุลิลละพี่น้องต้องสรรเสริญถึงอัลลอฮ์เยอะเยอะอย่าใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาที่ท่านนบีได้เล่าให้เราฟังภาษาที่ท่านนบีใช้ ทุท oh so ah, al il ่านนบีได ok ้บอกกับบรรดาสัฮาบะคนที่เป็นมุสลิมในยุคของท่านเนี่ยท่านนบีทรงให้กล่าวว่าสุบฮานะลอหล h a m d u l i ลล a h لا إله إلا الله س ُ ب ْ ح َ ا ل ْ م َ ل ِ ك ِ الْقُدُّوسَ أ َ س ْ ل ا حول ولا قوة إلا بالله หกเจ็ดประโยคให้กล่าวเยอะๆ วันละร้อยสอง0้สามร้อนะครับพนในกัมพีกุนอาเนี่ยในสุรบหรอคะอายอย่างนี้ฟารอกะฟังศบฟารอกะฟังบตรนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอินละบอกกับนบีนะมุฮัมมัดเมื่อท่านเสร็จภารกิจหนึ่ง ให้บากบัน่นให้พยายามทำงานที่สองต่อไปอย่าอยู่เฉยๆเห็นอย่างรครับศา ส, สนาอิสลามเนี่ย <c oughs> อัลลอฮ บ, บอกผ่านนาบีคนเดียวให้นบีมาสอนเพราะฉะนั้นมุสลิมอย่าอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อเสร็จงานหนึ่ง <c oughs> ก็ให้ พยายามเหน็ดเหนื่อยบากบาน ง, งานที่สองต่อไปอาชจะอะไรบ้าง <c oughs> เสร็จสิ้นจากการดาราอิสลามไปสอนคนกับถูกดาใช่ไหมล่ะอ่ะก็ไปสอนสอนไปสอนไปหยุดสอนแล้วทำอะไรไม่ใช่นอน <c oughs> ได้หมอนมาก็ น, นอนเลยไปนองไม่ใช่ก็มาเอ้าทำงานบ้านอ้าช่วยภรรย า, ยารีดนมแพะกวาดบ้านปะ ชุนเสื้อผ้าที่ท่านมีขาดขาดเนี่ยปาเองหมดรองเท้าก็ปาเองกวาดบ้านเองช่วยยังภรรยาในครอบครัวอีกเระสุซบหานอลลออีกอย่าให้อยู่ว่างถ้าไม่ทำงานก็หัวใจลิ้นก็ต้องนึกถึงอัลลอฮฺสุฮานหนะฮูวดาดะนี่กุรอ่านสอนเราฟาอิซาฟารอกตาฟังสบเมื่อท่านเสร็จภารกิจหนึ่ง กองให้พยายามบากบานนะครับเน็ดเหนื่อยกับงานอื่นที่สองที่สามที่สี่ต่อไปจุดเฉยเฉยไม่ได้นะครับขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องทุกท่านนะครับเวลเราได้อ่านอลัลกุรอานทบทบนอลัลกุรอานพี่น้องได้อ่านนะครันี่เราแค่อ่านก็อัลลอฮฺดีใจเราก็ดีใจแล้วอ่านก็อ่านนะทีนี้เ <c oughs> ดี๋ยวเราก็ให้ความหมายของอลัลกุรอานด้วยอายะที่แล้วหนาญะติที่10บนี่ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย อลอสสอนนะครับบอกว่าคนกาเฟสเนี่ยไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นถามบอกว่าเอ๊เมื่อฉันถูกฝังไปในดินเนื้อหนังกระดูกกลายเป็นดินไปแล้วเนี่ยจะสามารถฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกันนั้นหรอนี่อลลอสเล่าว่าอาตีดาความเชื่อของคนกาเฟสเชื่อว่าตายแล้วไม่ฟืน้น แลวความรู้สึกอันนี้มันหลงอยู่กับคนมุสลิมกวเยอะนะมุสลิมมันพูดอย่างนี้ถ้ามีวันกิยามะนั่นแหละแสดงว่าเองไม่เชื่อวันกิยามะถ้ามีวันกิยามะมันต้องพูดแบบวันกิยามะมีแน่ตายแล้วฟื้นแน่ฟื้นแล้วต้องถูกไปยืน อ, อยู่ต่อหน้าอรรรนแ น, แน่คือเป็นอย่างนี้นะชีวิตหลังตายไปแล้วนี่นะกว่าจะได้เข้าสวรรค์นเนี่ยต้องผ่านสิบขั้นตอน ไม่ใช่ธรรมดาครับตายไปแล้วเนี่ยคอตายแล้วนี่นะกว่าจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺหรือตกนรกก็ตามต้องผ่านกี่ขั้นตอนนะสิบสิบขั้นตอนไปน้องไม่ใช่เรื่องสนุกเลยอะ่ะฉะนั้นถ้าไปเตรียมตัวให้พร้อมนะลำบากหมดเลยลำบากทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่นอนอยู่ในครูโบมาลาอิกามา ก, กาถูกทรมารแล้ว นอนอยู่ในกบัวก็ถูกทรมานตอนฟืน้นขึ้นมาก็ถูกอีกโอ้โหถูกทรมานตลอดจากนั้นต้องระวังต้องประคองตัวเองให้ดีอยังให้อัลลอฮ์ลงโทษเราหลังตายเพราะชีวิตหลังตายต้องผ่านกี่ขั้นตอนนะสิบขั้นตอนเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้พี่น้องฟังก็แล้วกันวันนี้นะครับอายาที่สิบเอ็ดของสุรัสสุรสัสรสัจดาเนี่ยต้องท่องให้จำนะ ให้อ่านตอนไหนรู้ปล่าอ่านตอนกลางคืนก่อนนอนท่องไรับไม่ยาวไม่ยาวไน่กี่อยายะห์หรอนะครับ <c oughs> วันนี้มาอายะที่สิบเอ็ดนะครับกุลยาตากุมมะลกุลมาติลลิฮิุกิลบิคุมซุมมิลาอัลบิคุมตูรจัยอู “قل يتوافق ملك الموت الذي وُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون” <ون> <ت س خ> الحمد لله ขอพระคัม์นี้ต้องการจะเล่านะครับอัลลอฮ์เล่าให้น บ, บีฟังอัอลลอ์เผยความลับให้มนุษย์รู้ เวลาจะเผยความรับให้มนุษย์รู้นะ่ะอัลลอฮ์เผยผ่านใครผ่านนบีคนเดียวอัลลอฮ์จะเผยความลับให้จิบรีนมาเล่าให้ฟังว่าให้ท่านนบีฟังเป็นอายะฮ์อุลแอนมาเลยไนงะเพื่อจะบอกให้มนุษย์รู้พูดเรื่องวิญญาณในพูดเรื่องวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยพอถึงวันตายเนี่ยออกเองหรือว่ามาลายกามาเอาออก ออกเองหรือว่ามลายกะเอาออกสรุปสั้นๆกันนะออกเองไม่มีครับเมื่อถึงอาญาณนะเมื่อถึงอาญาณเมื่อถึงกำหนดมลายกะเนี่ยจะมาเชิญวิญญาณออกกุลยาตวัาฟาคุมกุลแปลว่าหมอมัดเอ๋ยจงกล่าว ตรงตับล็กตรงด่าวานั่นละงสอนตงอธิบายนะครับยตาตว่ฟากุมตว่ะะาวฟายาตว่าฟาแปลว่าทาให้ตายทาให้ตายนะตว่าวฟายาตว่าฟาแปลว่าทำให้ตายถ้าว่าตาแปลว่าตายถ้าว่ฟาเนี่ยแปลว่าทมให้ตายผู้ที่ทาให้สูเจ้าตายใครรู้ไหม มาลากักลเมาดมาลักไปว่ามาลายิกะอัลเมาดความตายมาลาอิกตุลเมาดมาทำให้สู่เจ้าตายนี่เข้าใจง่ายเลยไปน่นาะวนรู้ว่าตายเนี่ยวิญญาณออกจากร่างนะไม่ใช่ออกเองนะมาลายิกะเอามามาเชิญเอาออกมันมีอยู่สองแบบคนดีกับคนไม่ดีถ้าคนดีเนี่ยคุอ่านอธิบายยางไงนะ อินนั้น الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر وا بالجنة التي كنتم تودون นี่วิญญาณของคนดีที่คนจะจะอธิบายต่อไปเนนะใครที่กล่าวว่า อัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราตอนอยู่บนบนบนดุนยาใบนี้นะนะก่อนที่เขายังก่อนตายนะเขามีชีวิตอยู่บนดุนยาใบนีเ้เขาพูดว่าอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลของเราซุมมัสตะกอมูแล้วเขาก็ยืนหยัดเขงว่ายืนหยัดอธิบายยังไงไม่ทําชิริกยืนหยัดในอัลลอฮ์อง์เดียวอย่างมั่นคงไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ตามฉันยึดอัลลอฮ์ ฉันยืนอยู่กับอัลลอฮ์ฉันไว้วางใจกับอัลลอฮ์อย่างมั่นคงฉันไม่ เ, เคยไปหาตัวตะเกียไม่เคยหาตัวเรยองฉันไม่ เ, เคยไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกไม่มีฉันยึดในอัลลอฮ์อย่างมั่นคงต่ตอนนัสจาลวะไดฮิมุลมาไลกาตอนตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาไิกาเนี่ยลงมาลงมาเอาวิญญาณของเขาเนี่ย ม, มาลิกามามามาพูด มาเชิญวิญญาณ น, นั่งอยู่บนศรีรษะของเขานั่นที่น บ, บีเล่าเองนะมันลกล้จะมานั่งอยู่ที่ศรีรษะของคนตายแล้วก็มาเชิญบอกว่ามาพูดปลอบใจนะลาตาฮจานไม่ต้องกลัวลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้าว่ลาตาฮจานไม่ต้องกังวลเป็นห่วงเรื่องข้างหลังว่าอบับิิรุวิญญาณนะ แล้วก็มาแจ้งข่าวดีว่าคุณเนี่ยได้ไปสวรรค์ก่อนวิญญาณจะออกจากร่างมาลายการลงมาครับ <c oughs> นี่เป็นความลับที่อัลลอฮฺเผยผ่ า, ผานนาบีให้นบีมาสอนเราะนั้นวิญญาณเนี่ยออกเองป่าไม่ออกเองครับเราบิใครเคยเห็นวิญญาณไหมมันพี่ใครเคยเห็นวิญญาณพี่น้องวิญญาณนี่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ด้วยจะรู้ว่าวิญญาณมีไม่มี เดี๋ยวก็รู้อาลออธิบายว่าถ้าวิญญาณไม่มีเนี่ยก็ตัวแข็งไม่เห็นอะคนตานยไงแล้วสเกต ง, ง่ายๆฉะนั้นแสดงว่าคนดีคนใกล้จะตายมาลายกาสอาร้อนส่งวิญส่วนมาลายกามาเอาวิญญาณออกแล้วก็มาบอกให้กำลังใจวิญญาณบอกว่าคุณอยู่สบายนะคุณจะอยู่ในสวรรค์แน่นอนนะไม่ต้องห่วงเรื่องข้างหน้าไม่ต้องกังวลเรื่องข้างหลังอาร้อนี่ถ้งว่า มาพูดอย่างนี้เราอยากจะขวิญญาณอยากออกไหมอยากจะออกเลยอยากจะตายเอาตายก็ตายใช่ไหมอธิบดีท่าิอธิบายอีกวิญญาณของคนดีเราออกยังไงเหมือนเทน้ำเนี่ยเทน้าออกจากปาแก้วเลยไหลพลุกนั่นวิญญาณของคนดีออกง่ายโดยมล า, ายิกาของอัลลอฮฺสุบฮานะละเชื่อมล า, ายกิกาใดอิสรออีลและมีลุงน้องไม่รู้เท่าไหร่อิสรออีเป็นหัวหน้าแล้วก็ลุงน้องในไม่รู้เท่าไหร่ กุลยาทวฟะุมุลกุลยาวฟคุมมาลากุลมาวตจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดบอกกับนบีมูฮัมหมัดนะแล้วก็บอกกับคนที่อ่านอัลกุรอานขณะนี้ด้วยนะว่ามาลาอิกาตุลมาวเนี่ยทำให้สู่เจ้าตายเข้าใจนะมาลาอิกามาในฐานะอะไรครับอัลลอฮวุกกิล บีกุมวุกีละแปบลบว่าถูกได้รับมอบหมายมาเป็นวากีลมาผู้ดได้รับมอบหมายมาจากอัลลอ์มาเอาวิญญาณมนุษย์ไม่ใช่มาเองโอ้เห็นยังครับฉะนั้นมาลายกาที่มาเอาวิญญาณมนุษย์เนี่ยมาใมาเองนะอัลลอฮ์จัดเองไปบนริเองไปเอาคนนี้เอาคนนี้ท่านอัลลอฮ์น Allah, เนี่ยยุดับบิรุลอัมร รับผิดชอบดูแลจัด ก, การเรื่องของมนุษย์เรื่องของโลกดุงยาเป็นนี้ทุกวินาทีเลยเอาไปเอาวิญญาณคนนี้เอาวิญญาณเขาคนนี้เอารอเพืาว่าดึงันนี้ออกบางทีตาเป็นเป็นพันๆคนนี้ใช่ไหมครั้งเดียวนะ่ะนั่นละมลริการับผิดชอบซุมมาอลารบิกุมตูรจานซุมมาแล้วอีลาแปลว่ายัง รบบิกุมพระผู้อภิบาลของสูรเจ้าตัดเยี่ยงว่าถูกนากลับวิญญาณนั้นถูกนำกลับรวมไปถึงศพก็เหมือนกันที่อยู่ตายไปแล้วนี่พูดถึงว่าวันฟูนคืนชีพเลยนะวันฟูนคืนชีพจะต้องกลับไปหาอาลัลลอฮ์หมดเลยไม่มีใครที่ไม่ถูกพากลับไปหาอาลัลลอ์ทุกคนไปหาอาลัลลอ์หมดเลยอายานนี้ในตัฟซีบอิบนกุกซีดอธิบายต่ อ, อยางงี้ ท่านยาฟาร์ดบุนซอได้อธิบายบอกว่าท่านนาบีเนี่ยเห็นมาลายิกานั่งอยู่ที่ศีรษะของชาวอันซอสมันมีชาวชาวมุฮัจิรินใช่ไหมกระชับอันซอสนบีเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้พอนบีนั่งอยู่นบีเห็นมาลายกะนะิกานั่งอยู่บนศีรษะของคนตายอัลลอฮ์ให้นบีเห็นคนเดียวนะคนอื่นไม่มีสิทธิเห็นนะ นี่พิเศษเฉพาะนาบีอย่างเดียวเห็นสามารถเห็นมาลาอิกะนั่งอยู่บนศรีรษะของชาวอันซอร์คนหนึ่งพอนบีเห็นนบีนบีก็บอกว่ายามาลกุลเมาต์โอ้มาลาอิกะที่มาเอาวิญญาณคนเลยจงเอาวิญญาณออกแบบนิ่มนวล น, นะ ih, นี่นบีสั่งเลยนะจงเอาวิญญาณออกจากคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เอาออกแบบนิ่มนวลค่อยๆเอาออกเพราะเขาเป็นคนมุหมินยังอัลลอฮ์ให้เกียรคนผู้ศรัทธาใช่ไหมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอิมัลหกข้อเนี่ยใครที่มีอิมัลหกข้อตอนตายเนี่ยนบีนบีบอกกับมล า, ายกาเลยนะเวลาจะไปเอาวิญญาณคนตายที่เป็นมุหมินนั้นค่อยๆเอาออกอย่า ก, กระชากอย่าแรงอย่าทันอะไรรุนแรงกับวิญญาณของคนที่เป็นมุหมิน อัลลอฮรักยิงญเอาต่อมาครับยิบรีมลายกาตอบตอบกับนบีบอกว่ายาอุมหมัดสบายใจได้ติฟนับซันคุณทำทำใจสบายได้เลยนะอินนีบิคุลิมุมินรอฟีคุณนี่มลายิกาพูดนะฉันนี่นะทุกครั้งที่ไปเอาวิญญาณของคนมุมิน ฉันทำนิ่มนวลตลอดทุกครั้งเลยไม่เคยกระชากไม่เคยขู่ไม่เคยทําอะไรพูดจาพอดีแล้วก็เอาวิญญาณออกแบบนิ่มนวลทุกคนในี่ใครตอบ น, นะมาลาอิกระตุนมาต่อกับท่านอบดุเนบีเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็ท่านพูดบอกว่าวะรมจงรู้ไปเถอดมลนอะกล้าพูดเองนะฉันนี่นะไปทุก บ, บ้านบ้านที่ทําด้วยไม้บ้านที่ทําททด้วยดิน บ้านที่ทำด้วยปูนจะเป็นบ้านของของมนุษย์จะอยู่จะทำแบบไหนก็ตามเลยนะชันไปวันละห้าครั้งมาลาฮิกรตุลเม้าเนีไปเยี่ยมบ้านของมนุษย์ทุกหลังวันละห้าครั้งอุลมะอธิบายบอกว่าไอห้5ครั้งมาช่วงไหนมาตอนเสียงอาจารเสียงน้ามานพออาด า, ารย์อัลอบลลอฮ์อะบด์มาลิาลาลาลาลากะ ดิกระตุนเมาส์เนี่ยมาที่บ้านทุกคนเลยท่านมาลายกาก็เล่าอยู่วันฉันนี่รู้นะบ้านนี้มีเด็กกี่คนบ้านนี้มีคนแก่กี่คนบ้านนี้มีคนใกล้จะตายกี่คนรู้หมดฉะนั้นมาเยี่ยมบ้านเราวันละกี่ครั้งนะห้าครั้งนี่มาลายกาคนมาเล่าให้ดะบีฟังอลัลลอฮฺ์กัมบีก็มาเผยให้พวกเราฟังวันนี้อัลฮัมดุลิลลาฮฺเป็นองค์แสดงว่ามาลายกามีจริงไหมมี แต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ใครมองเห็นนบีนานๆครั้งอัลลอฮ์จะให้นบีเนี่ยเห็นมลัยกามาเอาวิญญาเพื่อจะอธิบายเรื่องความตายว่าไม่ได้ออกเองนะให้บรรดาซอฮบ้านนบีฟังฉะนั้นเป็นคนดีดีกว่านมาจะขาดเดีอยวุมาตัที่ผ่านมาใช่ไหมเหนื่อยๆกับการนมาใช่ไหมรักษาอามานที่ซอแล้วเอาไว้อ่านกู อ, อ่านสม่ําเสมออย่าทะเลาะ ก, กับภรรยาอย่าทะเลาะ ก, กับสามี เราอย่าทะเลาะกับลูกๆเพราะสุนนบีมันคือทะเลาะกับใครอะในชีวิตของท่านนาบีมีแต่ถูกดานาบีเคยตัวต่อไหมนะไม่คือทําไมเราไม่อางสุนัข น, นาบีมาใช้หรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ทําไมนบีคุมได้ก็คนเหมือนกันนี่ไงจากนั้นจากนั้นการเราเรียนศาสนาเยอะๆ เ, เ, เข้าใจอัลกุรอานเลยทำให้เราได้พัฒนาตัวเองซักฟอกตัวเองให้เข้าไปอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์ سبحانه และ อัลลอฮฺอักบัดแล้วก็มาลาอิกตุลมาพูดต่อไปอีกนะฉันนี่นะไม่สามารถจะเอาวิญญาณของของนั้นของยุ่งวิญญาณของยุงเนี่ยนะฉันไม่สามารถเอาออกเองได้นอกจากอนะัลลอฮฺจะอนุมัติให้ฉันมาเอาวิญญาณยุ่งธุระทำงานของมัต้องเยอะ่ากเลยนะฉะนั้น สัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกใบนี้แม้แต่ยุงเนี่ยอายุแค่เจ็ดวันยุงน่ะมาเลก้าก็มาเอาออกแต่บางรายงานบอกว่ายุงเนี่ยตายเองเพราะว่าอยู่แล้วก็สุภาโ น, นรีเกิดถึงอัลลอฮฺสรรเสริญอัลลอฮฺตลอดทุกสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะไม่มีใครที่นั่งเฉยๆแบบมนุษย์ไม่มีครับสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสรรเสริญ ต, ต่ออัลลอฮฺหมดเลยแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาว่า มดสารเสรวนยังไงยุงสารเสรวนยังไงต้นไม้สารเสรวนยังไงสรรพสิ่งบนโลกลุ่นยาบบนี้สารเสรวนต่อรอยเราไม่รู้ภาษาของพวกเขาเองพอสารเสวนจบแล้วก็หมดอายุวิญญาณออกจากร่างเองเนี่ยอุลมะบางคนอธิบายอย่างนี้เข้าใจนะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยใครรับผิดชอบ อ, อัลลอฮ์รับผิดชอบให้มลายิกามาเกจฉะนั้นเรามีเราสง่สงสง่สงสง่งส่งวิญญาณได้ไหมพอพูดอย่างนี้มันกระทบกระทบเยอะใช่ไหม เราส่งวิญญาณคนได้เปล่าไม่มีสิทธิ์เรื่องวิญญาณเันเรื่องของอัลลอฮ์องเดียวรับผิดชอเราไม่ไม่รู้ด้วยถ้าอัลลอ์ไม่เล่าให้เราฟังนี่เล่าผ่านนาบียูซุกาฟีกุรอานเลยอันหม่เที่ยวนะครับกุลยาตัวฟะคุมมลคุลมาอุตอัลลัีวุคกิละบิคุมซุมมาอลารัลบิคุมตูรจยอู เม่อมาเจอจงจงประกาศนะครับจงบอกให้มนุษย์ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจมลายิกาตุลมาหุ ม, มาทำให้สู่เจ้าตายมลายิกาที่มานมาเองหรือว่าสงมาวุบที่ลาบีกุมถูกมอบหมายมาให้มาเก็บวิญญาณของมนุษย์ ทุมมาอิลาอับเกุมตูร์าฮุนแล้วก็พวกท่านจะถูกนํากลับไปยังพระผู้อภิบาลของสูรเจ้าทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หมดเลยนะครับพี่น้องประคำนุลิลลาจีนี้กลับไปหาว่ไาไปทําอะไรคาอธิบายก็คือไปรับรางวัลถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนชั่วก็ไปถูกลงโทษใน ที่ไหนตั้งแต homepage, ่บุโผล่แล้วเรื slowly, ่อยไปจนกทั่งเข้านรกของ Allah ุ u b h a n a h u wa taala ทีนี้ถามว่าวิญญาณยุงเนี่ยมันเลกล้ามาเก็บด้วยไหมมีสอรายงานนะครับบางบางรายงานบอกว่าอะไรนะวิญญาณเนี่ยมันเลกะ้ามาเก็บด้วยวิญญาณยุงนะหรือบางท่านบอกว่าออกเองอดรอเอาล้วนะครับเรารู้ว่าเอาวิญญาณเราก่อนแล้วกันเนี่ยนะวิญญาณเราในใครมาเก็บมันเลกล้ามาเก็บ อย่างนีเปตนฉะนั้นประคองตัวให้ดีนะให้ตายสบายๆแต่ตายไม่ถูกทรมานนะตายยังไงโอรรรหกนี่คนส่งคลิปมาวันศุกร์ที่แล้วนี่เองอ่ะกําลังอ่านคุตตบะอยู่ตายเลยตายขณะอ่านคุตบะดีหมดีตายขณะนม า, ด, นาดีไหมดีตายขณะอ่นานกุรานดี ก็ขอด้วยนะต่อรอจะให้ฉันตายในสภา พ, พเป็นคนเป็นคนดีดีกว่าน ะ, ะขณะที่คล้องชุดอิหรอมเดินตะวานทิม ก, กาละโลมตายดีไหมัลามดีแล้วตอนนั้นเป็นความตาเป็นความลับมดเลยนะ Allah, mm hmm. เนี่ยเอาล่อเผยให้เราฟังเพียงเล็กน้อย น, น, น, น, นะครับเอาต่อมาอาจจะที่สิบสอวันดูลมุจริมูนานาคิสูรุสิมนนดรอบบิห ربنا َ أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعما صالحا ًَ إن موقنون ولو ترىذ المجرمون َ ن كسور ُِ و ِ ه م عند ربهم َِ รับนาอัปสรรนาแะสัมงานฟรดงานน้ำมนทรัพย์อินนามุกนนุนอั้งหมเรื่องของเราหมดเลยพี่น้องเรื่องของมนุษย์หมดเลยกัมพูุ์อานนี่เล่าเรื่องมนุษย์ว่าเราว่าเรา อาานันนี้ตรลงารอธิบายอย่างนี้ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของอัลลอ์จริงตายจริงฟื้นคืนชีพจริงมีการมอบรางวัลคนดีจริงคนชั่วถูกทรมานในโลกอาคิยร์จริงจริงหมดเลยครับขณะนี้คนไม่เอาศาสนาเยอะั้มเยอะมากอัลลอ์ปล่อยให้ลอยนวลไปก่อน แต่อลเลอมไหมไม่ลืมครับนะครั บ, รบเอามาดูกุณอ่านคับว่าเราเล่าบอว่าถ้า if ตารอแปลว่าท่านเห็นต้องการจะบอกว่าถ้านาบีมุฮัมมัดสามารถเห็นตารอเนี่ยคุณอ่านลงให้กั้ น, นบีคนเดียวนะไม่ม่ให้คนอื่นนะเอาเราพูดแบบว่าถ้าหากนบีมุฮัมมัดสามารถเห็น if ขณะที่ อัลมุจริมูนคนมีผิดคนบาปมุจริม im, คนบาปคนบาปอธิบายยังไงก็คือคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์หรือเอาอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปหาโตตะเกียรอีกครึ่งหนึ่งไปหาโตระยองครึ่งหนึ่งไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย <c oughs> อัลลอฮ์ก็เอาด้วยเอาตอนไหน <c oughs> เชื่อระหว่างเราสร้างชานฝาแผ่นดินเวลาจะขอเนี่ยไม่ขอจากอันรอขอจากสิ่งอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมเยอะมุสลิมก็มีนะยึดอัลลอฮ์มายึดเวลามีปัญหาหาตัวตจเกียรมีเปล่ามีนั่นเราพูดแรกไปไม่ได้โมโหนี่ก็ต้องพูดเนี่เตือนกันอย่างนี้แหละเตือนกันเตือนกันพี่น้องคนมุสริมคนมีผิดเนี่ยถ้าท่านนาบีมองเห็นได้นะ นากิซูแปลว่าทำคอตกทำหัวตกไม่ใช่นั่งนะยืนนี่อัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายภาพในโลกอาคิระโไม่ใช่ในกูโบพี่น้องในโลกอาคิระ์นะรนู่น่ะทุกคนไปยืนอยู่ตรงหน้าอัลลอฮ์หมดนะคนที่มีความผิดเนี่ยทำไงรือเปล่า ยืนคอตกวันนี้คอเชิดใช่ไหมโอ้โหเินสะพานชาดชาดชาดบนเวทีก็ชาดชาดชาดมีอยู่วันหนึ่งนคะอตกหมดคนเหล่านีเา้เพราะไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาราสูลไม่เอาอิสลามดูถูกนบีมุฮัมมัดสารพัด ท, ที่ท้องฟราวันนี้อัลลอฮ์ให้อยู่สบา ย, ยาเดือเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลามีพยากี่คนก็ได้มาตรงนี้กล กินเบียร์กินเหล้าเชิญตามสบายไปน้องมีวันหนึ่งไปยืนอยู่ ต, ตาตาเาทำไงครับยืนขอตกไม่ใช่เชิดอลัลลอฮปล่อยให้เชิดหนึ่งตลอดชีวิตเลยบนดุนยาเอาไปเชิดไปให้พอให้เทียมที่เดี๋ยวเจอขันชันบ้างวะแล้วตาร อ, อิริมุจริมูนะาหางท่านนาบีมุฮัมมัดเห็นได้นะ ก็ต้องรอจนเราฟื้นก่อนไปยืนอยู่ในทุกข์มาซัดลรวรออีกเท่าไรล่ะพี่น้องอัลอิริโมยริมูนผู้ที่มีพิษนากิสูทำคอตกรูซสหิมศีสะของทุกเขารูอู ต, ตว่าเราะสุนรูอูตมาถึงศีสะทำหัวตกทำคอตกอุล่าอธิบายว่าไอ้ตก ทำคอตกทําไมอ่ะมิสมูสมสมประเด็นสี่ประเด็นหนึ่งคอตกเพราะเสียใจที่ดาอัลลอฮ์เอาไว้ที่ดานาบีมุฮัมมัดเอาไว้ที่ตำหนิาศาสนาอิสลามเอาไว้ที่ไม่เชื่อบอตาล้ฟืน้นไม่เชื่อบอตาแล้วจะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อาะรอไปรอทำคอตกเพราะเสียใจข้อที่สอง ทำคอตกเพราะวันนั้นน่ะตามต้อยยิ่งกว่าไสาเดือนซะอีกคนไม่เอาอิสลามวันนี้เนี่ยนะดูถูกอิสลามนะแต่ลิมถูกฆ่าถูกฆ่าทุกประเทศในลวงถูกฆ่าหมดเลยประเทศจีนทหารเข้าไปในบ้านไปเจอแผ่นกูร์านแค่แผ่นเดียวทรมานบ้านมุสลิมหลังนั้นนะโดยฟาดโดยแทะสงสารนะแค่มีกูร์านอยู่แผ่นเดียวอยู่ในบ้านนะ นี่คนประเภทนี้เนี่ยนะวันน้าคอตกหมดถามอลลอกมีชื่อไว้จดชื่อไว้หมดแล้วแต่นั่นอยู่สบายๆพวกเราทําหน้าที่ของอลล็อกให้เต็มที่ก่อนแล้วกันนะข้อที่สามทำคอตกเพราะความอายข้อที่สี่ทำคอตกเพราะเศร้าใจระทมใจเสียใจมีอยู่สียอย่างหนึ่งทำคอตกเพราะทุกข์ใจสองทำคอตกเพราะ วันนั้นะตามต้อยยิ่งกับสายเดือนที่อยู่ในในใ น, ในส้วมซะอีกนะครับทาขคอตกเพราะความอายทาขคอตกเพราะเสียใจที่ไปตําหนิอิสลามดูถูกนบีมุฮัมมัดตําหนิอัลกุรอานแล้วก็ตายในสภาพที่ไม่ยอมตะบ้าตัวต่วตออัลละ์ให้อายุตั้งแปดสิปีน่ะดูถูกอิสลามมาตลอดจนกระทั่งตายท้าวอิสลามไปสร้างความเดือดร้อนให้ท่านตรงไหน มีไหมมีอย่างนี้ป็นต้นวลาดูทารอิทิ์มู้จดิมูนันากีสุไรนดารอบบีหิมมุ hammad เออถ้าท่านสามารถมองเห็นได้คนมิทีความผิดทุกคนเนี่ยนะจะทำคอตกจะทำศีรษะตกมันจะเชิดแล้วสิวอลล้องให้เชิดมาดุนยาทั้งโลกเลยอาภัยจังไหม วันนี้เวรฉันบางแล้วทำคอตกเนี่ยเล่าไม่ฟังกู่นะจะไปตามตำหนีอัลลอฮ์ไม่ได้รอดเล่าฉันเล่าแล้วนะว่าเองจะต้องคอตกกระตกจริงๆด้วยรอไปสิอินดารอบีหิมนาพระผู้อภิบาลของพวกเขานาอัลลอฮ์เนี่ยปุละมะอธิบายยังไงหรือเปล่าอธิบายอย่างเงี้ตอนช่างตาช่งตอนช่างตาช่ง วันนี้ตะโมูก็ช่างใช่ไหมไฟฟ้าก็ช่างใช่ไหมน้ําก็ช่างว่าวันหนึ่งนะน้ำมาของเราถูกช่างอากาศของเราถูกช่างหะยีถูกช่างการกล่าวการิมาชาราถูกช่างเป็นตาช่างหมดเลยแะ่ไหนคนที่ถูกตาช่างช่างแล้วผลงานไม่มีนั่นแหละคอตกอ๋อๆนี่น้ำมาฉันไม่รู้จักเลยอากาศไม่เคยจ่ายเลยคอตกหมด อยู่กับภรรยาสามีมันด่นิกาด้วยขอตกที่ดาศาสนาอิสลามมาไว้ขอตกนี่ร่อนลอยไปอินดารอบบีหน้าพระผู้อภิบาลของเขาอลมอฮอธิบายไง่านมุนก้พี่น้องตอนอะไรนะตอนช่างแ่ช่างบางคนอธิบายว่าตอนยื่นสมุดบัญชีเพราะต้องผ่านอีกสิบขั้นตอนใช่ไหม ตอนยื่นสมุดบัญชีตอนช่างตาช่างคอตกหมดเลยเอาต่อมาครับรบบานาพูดแล้วพอคอตกพูดต่อรบบานาแปลว่าอะไรโอพระผู้อาภิบาลของเราอับศอรณนามีนาอยู่ข้างหลังแม่แปลว่าเราทั้งหมดเรานี่เห็นแล้ว รับบานาอบซาอรน์นาเราได้เห็นแล้วเห็นนะเห็นอะไรรู้ไหมเห็นคำสัญญาของอัลลอ์ว่าเป็นจริงทั้งหมดเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เชื่อเลยว่ามีวันกิยามักไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วฉันเห็นแล้วเห็นว่าสัญญาของอัลลอ์ที่พูดนนกัฟีคุรอานเป็นจริงหมดเลยต่อมาครับวาสามัมอาณา เราได้ยินแล้วที่แรกเราเห็นก่อนเห็นด้วยตาก่อนแล้วก็ใช้หูที่หลังใช่ไหมเห็นแล้วแล้วก็ได้ยินแล้วได้ยินอะไรเป็นต้นก็ได้ยืนว่าของมุฮัมมัดเป็นนบีจริงคําสอนของนบีแต่ละวรรคแต่ละอายาแต่ละเรื่องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยเพูดง่ายว่าสิ่งที่นบีปฏิบัติเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลย คุณ ง, ง, ง่ายๆเลย น, นะสามารถเอาไปวิจัยนะจะเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวิจัยน้ําอย่างเดียวอลองว่าอุลมาญี่ปุ่นมีอยู่คนหนึ่งเอาวิจัยน้ํำไปน้องไป ว, วิจัยน้านําน้ําที่ผ่านเสียงเพลงเสียงนู้นเสียงนี้มาจบที่น้ดำดําๆมาจบที่น้ําที่ผ่านเสียงอ่านอะไรออุนอานยอมจํานวนเลยเป็นโอ้โห อ, อะไรกันนี่ทั้งของที่นาบินนํมามาสอนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยไปยอมรับต่อไหน นูนไปยืนคอตัวอยู่ที่ท่วงมาชัดนั้งนะตอนนี้วัยน้ก็ด่าไปก่อนนะอดทนเอาต่อมาครับฟารจิยานอะันนี้ขอร้องกันแล่านะโบสทรส่งเรากลับรอจะไปว่ารีเทิร์นแบบโบททรส่งเรากลับกลับไปไหนคุลามะอธิบายต่อน บ, บีอธิบายต่อเนึงกลับไปอยู่ในโลกดุนยาเหมือนเดิมทำไมอ่ะ เพราะไหวความดีจะทําได้เฉพาะในโลกดุนยาเท่านั้นไม่ต้องทําในกูโบใช่ไหมในกูโบเป็นอะไรไปเวลาท ำ, ท ำ, ทำนามารหรือเปล่าไม่ต้องนามาแนะในกูโบไม่มีนามาในกูโบไม่มีทำศรัทธากในกูโบไม่มีการทําดีกับพ่อแม่ไม่มีจบถ้าจะทําความดีบนลงต้องทําตรงนี้ก่อนตานี่แหละนี่ นีคนที่แมวศาสนานะพูดไงนะฟารยานะโปรสงร่งเรากาเพิ่งรู้เองว่าโลกดุนยาเป็ น, นี้โลกแห่งการทดสอบอัลล์บางคนให้รวยลืมอัลลอฮ์จนหน่อยลืมอัลลอะ์ใช่ไหมไม่ไช้แค่มีปัญหานิดนหนึ่งันไม่เอาอัลลอฮ์แล้วแล้วเอ็งเอาใครอะ่ะนั่นไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะตัวตะเกียวตัวระยองเอาทาาํามะเมื่อวานนี่มีคนโทรศัพท์มาหาว่าลูกสะพ้ย ลูกสะพายตัวเองเนี่ยไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเจ้าแม่กอเนียะเขาฝากกันไว้ให้ดูแลเจ้าแม่กอนก้เหนียด้วยเจ้าพ่อเจ้าแม่ก้อเนียเนี่ยลูกสาวก็นี่ลูกลูกลนั้นลูกสะพ้ายนี่ไปรับมามะรู้เพราะว่า ลูกสะพายคนนี้มาเป็นมาลาอิสลาหมาแต่งงานกับลูกชายตัวเองแล้วลูกชายนี่ก็รักผู้หญิงคนนี้มากตอนนี้รับเอาอะไรก้อนเนียเอาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้ ว, วถ้าไม่รับมาจะเป็นอันตรายโทศรศัพท์มาถามผมผมบอกทิ้งไปเถอะมันนํายืนก็ใช่ต้นมาจากของอลรรถมันจะของรสูนทำไงทิ้งอะ่ะก็โยนทิ้งไปเลเอาไปฝังเลยเสร็จแล้วก็พิยา คุ้มนมาสยิดขาดอันานคุรานสามพุ้นยกมือก่อนเปล่าแล้วก็ อ, อ่านแล้วก็รูปทั้งตัวในบ้านอย่าเสียงเพลงอย่าเปิดเลยนะเปิดเฉพาะสุรอบบาราร์ทวนไปทวนมาวา น, นหลายรอบทำได้เปล่าต้องทำถ้าอย่างนั้นริมก่อนเนี่ยไม่ออกแ <c> ค <oughs> ่ น, นั้นใส่ตอนกับยินเนี่ยมันกลัวอะไรกลัวเสียงกุรานของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ฉนเราถ้ามี กูอ่านเยอะๆอ่านกุนอ่านนมาสมามเสมอจะตอนเข้าไหมไม่มาอันนี้มันมตันร บ, บาราอบราบอสุนาวาสมานาฟรารดิอานาอัลลอ์นะเราได้เห็นแล้วเราได้ได้ยินแล้วโบทรงเรากลับมากลับไปไหนครับนึกเองก็ได้กลับไปอยู่บนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งไปทำอะไรครับ น่อามัลสัตย์เนเราจะทําความดีน่อามัลเราจะปฏิบัติของดีๆที่อัลลอฮฺสัง่งที่นบีมุฮัมมัดสัง่งที่ผ่านนบีเนี่ยที่เป็นวาฮีเดชะฉันจะเริ่มทําความดีจะขอไปนมาสก่อนไปทำนูนทํานี้ทํานี้ทํานั้นที่ปฏิเสธที่ด่าก็ไว้ตังเยอะเนี่ยจะขอกลับเนื้อกลับตัวอีกครั้งหนึ่งถามว่าเราโศกกลับไหมสศกได้ไหมทองไม่ทรงเลย เว่าอย่างนี้อ่านคุณอ่านว่าเรารถดูลาดูลิมาヌฮูอันหูถ้าส่งเขากลับมาอยู่บนโลกดุยาใหม่อีกครั้งหนึงมันก็ยังดืดดันทุรังขัดขวางแอนตี้อิสลามสุนันนาบีทุกสิ่งทุกอย่างที่อิสลามทำหมดมันขวางเหมือนเดิมนะตลอดวันนี้สายมนุษย์ไปอย่างนี้นะครับเอาต่อมาครับอายะ คำว่ามูกีนูเนีเราเราเชื่อแล้วเราเชื่อมั่นแล้วเนี่ยตั้งสิอธิบายอย่างนี้นะมูซอดดีกูบิลบาสิปัดนี้เราเชื่อแล้วว่าการฟื้นคืนชีพจากหลุมฝังศพนั้นเป็นความจริงเรื่องที่สองเราเชื่อมั่นแล้วว่าคําสอนที่ผ่านนาบีมุฮัมมัดที่นําเอามาสอนนั้นเป็นความจริงทุกประการพุ่ธบุยอมรับตอนไหนตอนคอตกหยุดนหน่าห่าหร ตอนเขาแจกสมุดบัญชีนู่นน่ะหนาวมันจะเปลา่ยมิเงาอนาตลอดถูกไเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีนี้อัละรอรักว่าปีนี้น่ะเป็นปีที่แปลกนะพันปีจะมีครั้งหนึ่งเอาอายุของเราบวกกับปีเกิดจะออกมาสองห้าสองหกหมดทุกคนเลยในโลกนี้พันปีจะมีครั้งหนึ่ง พันปีจะมีครั้งหนึ่งเอาไรนะเอาอายุของเราบวกกับพอสอเกิดจะออกมาสองห้าสองหกต้องการจะบอกว่าทั้งโลกเนี่ยอายุเท่ากันหมดเลยปีเดียวนะมีปีปีเดียวแล้วจะมีประมาณอีกพันปีข้างหน้านูใครทำหมออะหมอทำเลยหมอผีทำเลยไม่ใช่เอาล็กคอนโทรลหมดเอาต่อมาครับระยะที่สิบสาม ว لا أشئنا ل آ ت ي أ ن كل نفس هداها ولكن حق القول مني ل َ أمل أن ّ ج َ ن ا مما من الجنة و ن ا س ِ أجمعين ว ل ล و شيئا لا تينا كل نفس هدائها ولكن حق القول مني لا أم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله أكبر นี่เรื่องของเราหมดเลยนะเราเล่าเรื่องของเราอ้ายานี้ตองการจะบอกอย่างงี้ ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของอัลลอฮ์นะเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาคู่กับโลกใบนี้ให้อิสลามมาตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างชั้นป้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างมนุษย์ให้อิสลามมาเลยเป็นทางนาำสําหรับชีวิตเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์พอใจคือศาสนาที่ไม่เคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พอใจเรืองเดียวทีนี้ อายะนีกาจะบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ะจะเปลี่ยนคนให้นับถือศาสนาอิสลามทั้งโลกเนี่ยได้ไหมได้นี่คือหลักฐานอนะห์ลักฐานตั้งต่อไปนี้ถ้าจะให้คนรับอิสลามทั้งโลกเลยไม่มีคนกาเฟนเหลือสักคนทําได้ไหมทาได้แต่อลเราฉันทําไม่ได้เพราะฉันวางกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วว่าฉันไม่บังคับใครให้นับถือศาสนาอิสลามฉันจะให้เขาเรียกว่า free thinking ความคิดอิสระให้สมองมาเนี่ยให้คิดให้ชใชญปัญญาเองฉะนั้นอิสลามเนี่ยไม่ใช่ศาสนาบังคับให้คนนับถือไม่ใช่แต่ถ้าเป็นมุสลิมแล้วสิพ่อแม่ต้องแสดงตัวละทําไม่นะมาข้อตีนาะพ่อต้องจัดการแต่ก็อรับอิสลามบังคับให้เป็นมุสลิมได้ไั้มไม่ได้ผิดหลักของอัลลอฮ์ที่วา ว่าแล้วชินาแปลว่าเราแปลว่าถ้าหากชินาแปลว่าเราประสงค์เราต้องการถ้าอัลลอ์ต้องการถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ลตใจนาเราจะให้เราจะทำให้กุลละทุกทุกนับสิ้นชีวิตทุกๆชีวิตที่หายใจเนี่ยนะ ถ้าเราประสงค์เราจะทำให้ทุกๆชีวิตที่หายใจเข้าออกในวันเรื่องมลทสารกิริสานข้ามกิพานครั้งประตามแต่นะฮูดาอยู่ในทางนาที่ถูกต้องถ้าเราประสงค์เราจะทำให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในาศาสนาอยู่ในทางนำอยู่ใน้นทางที่ถูกต้องหมายความว่าไงจะให้คนรับอิสลามเนี่ยได้ไหมไดา แต่เราทำได้ไหมทำนี่เล่าให้ฟังให้เล่าให้น บ, บีฟังนะรลายคนอ่านคนอ่านฟังด้วยว่าโอ้นี่ยอัลลอ์ไม่ได้บังคับเ ร, เราให้รับนับถืออิสลามนะแต่อัลลอ์ให้อะไรสติปัญญาเขาเรียกฟรีจริงๆอิสระในความคิดเชิญตามสบายถ้าคิดดีได้รางวัลคิดไม่ดีถูกลงโทษกันยังฉะนั้นเราตร้องเรียนศาสนาครับถ้าไม่เรียนนะั้นประคองตัวไม่ถูก เดือน r a m จะทําตัวยังไงนะถ้าให้ฮารอลัอกถ้าไม่อ่านจะกวนอ่านไม่ริยนสุนนะน บ, บีจะทำตัวถูกอะ่ะบวชกรบวดไม่ถูกละมาตระเวนก่อไม่ถูกบวชไปเรียนการพนันไปบวชไปโอ้โหนี่ถ้าไม่อ่านหะดิษนะไม่ควบคูหฮะดิษมาอธิบายนะบวชก็เละบางที่นอนร่วมกับผู้หญิงใ น, นกลางวานเด็กบวชเสียไหมนี่ไง มันต้องอาศัยหลักการที่มาจากอัลลอฮรซูลหมดเลยครับว่าเราสินาะแล้วถ้าหากอัลลอี่นี่ประสงค์แต่กับเราจะให้ทุกชีวิตมีทางนำอลัลลอ์ก็ได้ะจะให้ทุกชีวิตมีทางนำได้ั้มได้แต่อัลลอ์ทำั้ยไม่ทำต้องต่อไปว่ากินแต่ว่าพัก อัลกาวฮักก็แปลว่าเป็นความจริงเป็นความสมจริงอัลกาวรแปลว่าคําตัดสินเป็นวจนะคําตัดสินที่อัลลอฮ์วางกดเอาไว้ก่อนหนะ้านี้แล้วว่ า, าศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาขออัลลอฮ์จริงแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้คนนับถืออัลอิสลามแต่ให้มีความคิดอิสลามถ้าคิดเป็นแค่ อ, อ่านกลออานสองสใบก็นับอิสลามแล้ว เดีจะเรอลัอลอลอฮ์อัลลอ์อัลลอฮยู่นั่นลัลอลอฮต่อมานะมินนีมินนีแปลว่าจากฉันคำตัดสินจากฉันเนี่ยได้สำเร็จไปแล้วว่าอลัลลอ์ไม่บังคับให้ใครมานับถือศาสนาอิสลามแต่อลัลลอ์จะให้มนุษย์นั้นที่มีปัญญาเนี่ยคิดใช้สมองตัวเองเข้าใจนะละอมละอนนะจัฮนันนำ ละอําละอันแปลว่าเราจะทําให้เต็มเราจะทําให้เติมเต็มยะหันนำอะไรนรกเราจะทําให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในนรกเติมเต็มในนรกเอาใครไปอยู่ในนรกแมวเหรอไม่ใช่มีนั่ยินนะอะไรยินเอาจับยินก่อนเพราะว่าเจ้ามาก่อนมนุษย์ เราลองามาวันหน้าและมนุษย์ในนรกนี่พี่น้องมีอยู่คนอยู่สองประเภทหนึ่งคนสองจินในนรกคนประเภทไหนอธิบายได้คนมุจริมคนชั่วคนไม่เอาศาสนาคนด่าอัลละฮ์คนที่ด่าสุนนนาบีคนที่ปฏิเสธวันสิ้นโลกตายแล้วไม่ฟื้นพวกนี้ถูกหมดคนที่ปลอดภัยไปอิมานหข้ออะ่ะ อ ي มานต่อลออิมัณต่อรัซุ่อิมัณต่อวันกิยามะอิมัณต่อนบีอิมัณต่อขัมพีอิมัณต่อกฎกฏากรัฐถ้าเราอิมานอย่างนี้นะปัญหาบนโลกวิญญาณจะี้แก้ไขได้สบายเลยอกราอฮ์กำหนดหมดตกลงไอัลลอฮ์บังคับไหมให้รับอิสลามไม่ได้บังคับเลยฉะนั้นถ้าต้องขออุทิเยอะอัลลอฮ์จะให้ฉันเนี่ยมีหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ Allah จะให้ฉันได้เป็นคนที่นมาด ร, รักษานมาดวันละห้าเวลาอย่างให้ขาดูอ่านตรงนี้รับบิญอัล ok นิโมกีมะสาลาติวะมินซุรีติอบีอิบราฮิมขอนะล l l a h จะทาให้ฉันและภรรยาฉันลูกของฉันหลานฉันรักการนมาดไม่ใช่ทำไมนะเดียวนมาดแบบถูกต้องเลยนะไม่ใช่นมาดแบบลูกลูกอะ่ะ ถ้าน้ำมันนะก็จาเป็นต้องเรียนเหมือนกันนะวันนบีเขยดึงนามานยังไงท่าวางยังไงกอดอกยังไงตามองตรงไหนต้องถามวันนบีทํำยังไงสําคัญมากไม่ใช่ทําแบบลวกๆไม่ใช่อ่ะเาลาอับบัตที่ย่งอื่นละปานี้ปานี้ทุกอย่างนะพองานของเราแล้วทําลวกน่าดูยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับทีนี้ คำว่าลอาไตนาเนี่ยกุลลนับสินฮูดะฮ์อธิบายอย่างนี้อลัลลอฮจะชี้นำเขาให้รับอิสลามสองให้เขามีอีมานสามให้เขาเข้าสวรรค์สามอย่างนะให้มีอีมานให้รับอิสลามหรือว่าให้อยู่ในสวนสวรรค์เขาว่าละอาละวัลซีนาลอาไตนากุลลนับสินฮูดะฮ์เนี่ยถ้าอาลัลลอฮประสงค์ จะให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดทุกคนทั้งโลกนี้นะครับอยู่ในทางนําที่ถูกต้องมาถึงมีอีมานสองอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์สมเป็นคนที่อยู่ในทางนําออัลลอดที่ถูกต้องมีสามรายการเราต้องขอมาแล้วันนี้อัลลอฮ์จะให้ฉันมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เถอะพยาชันลูกฉันลูกหลานฉันเนี่ยรบบิญญามนีมุคีมัสซาลาติวะมินซุรียะทีห์หมะ คัลลอฮ์อิบราฮีมไปเปิดดูนะอย่างนี้เป็นโจนขอให้กับตัวเองขอให้ลูกขอให้ภรรยาขอให้ลูกหลานให้รักนามาศให้สนใจนในการนามาศอิบราฮีมยังขอเลยไหมเนี่นักดาบเป็นนบีนะและเราเป็นอะไรอัลลอฮ์อักบัดขอเยอะไปเนาะอัลลอฮ <Allah, Akbar. S 1> ์อักบัดอัตวามายะสุดท้ายนะครับพี่น้องตุ <c oughs> ลุงวายัด ที่สิบสามนี่เาลาไม่ได้บังคับนะแต่เมื่อลูกเราเป็นมุสลิมอยู่ในบ้านมุสลิมต้องบังคับมั้ยต้องบังคับครับต้องสอนเลยละนี่จะเข้าห้องน้ําด้วยเท้าซ้ายนะอ่านดอวงบทนี้นะขึ้นรถต้องอ่านดวงออย่างนี้นะถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องไปแตะก็ เ, เลยปล่อยนี่ขนาดไม่ขนาดไม่แตะไม่แต่นบียังถูกดา่าอยู่นะใช่ไหมเอาต่อม า, อายัสุดท้าย ْ้าดูคุบิมานัสีตุมลิกออาเยวมิคุมฮาซะอินนัสีนั و ุมวัดูคุ ا าَาบัลขุลดีบิมาคุนตุมต้ามัลลุนอัลลَฮฺอัลลอฮฺรื่องของเราหมดเลยนะ ฟัลุกุบิมานซีตุมลิควาอายา ا มิคุมฮาดาอินน้าซีนักุมวัลุกุอาดับบัลขุลิบิมักุนตุมตาَมลุนฟัลุกุแปลว่าดังนั้นฟัลกุจงลิมรสจงชิม นี่ยลอร่ราเนี่ยพิคุณาเลยนะคนที่ทําชั่วทั้งหมดคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ดา่านบีด่าตำหนิกุรานไม่เชื่อวันอาคิรัลละตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่าลอกรกําหนดทั้งหมดนี่ฉันไม่เชื่อความสามารถของฉันส่วนตัวเลยเฉพาะคิดแบบปอรุนผิดไหมผิดอัลลอฮ์ให้แผดินสุบแล้วใช่ไหมนาเป็นคลือตัวอย่างะน่าจะคิดเป็นแล้วนะฟ <c oughs> าซูกูจงชิมจมลิมรส เห็นไหมแบบช้อยทายภายษาพ่อมากเลยนะจงลิมก็คนที่ชิมแกงนะ่ห่นนะแตทีิลินะนิดหน่อยนะแต่ถูกทรมานนานฟรูกูจงลิมจงชิมบิมาเนื่องด้วยนาซีตุมที่พวกท่านลืมลืมใครนึกเอง <c oughs> ลืมอัลลอฮ์ลืมรอซูลลืมอัลกุรอานลืมวันสิ้นโลก ลรืงบันติยมาฉันต้องดูแลโลกดุนยาใบนี้เป็นของฉันเห็นไหมเพื่นเนาะนั่นจงชิมนะครับที่ท่านเนื่องด้วยพูท่านเนี่ยลืมเฉยเมยไม่เอาใจใส่มองเป็นเรื่องตำตำรารสาระคำขา ม, มาเรื่องมาเยอะลืมคำเดียวไปแลนะ้วไม่ใส่ใจ มองไปเรื่องใส่เดือนอ่ามองไปเรื่องไร้สาระซอสทำไมตาล้วเฟินโู้ไปไปไม่ได้นี่ไงนาซีจุ่มคนลืมลืมอะไรครับหรือ ก, การพบการเจอกันการพบกันเยาวมีกุมวันหนึ่งของสูเจ้ามาจางวันเตยมะฮาดานี่ไงมาถึงแล้วเนี่ยรอดเล่าให้ฟังนะ ขณะที่เยืนอยู่ที่ทุ่งมาชาต์นั้นยืนอยู่ตอนนั้นอลัลลอฮ์คอตกไม่พอนะอลัลลอฮ์ก็พูดตําเนออีกเพราะคุณทําตัวของคุณเองลืมนึกถึงอลัลลอฮ์ลืมถึงนึกถึงสุนนะนบีลืมนึกถึงนบีมุฮัมมัดลืมนึกถึงอัลกรุรอานลืมนึกถึงวันเตียมะลืมนึกถึงจะต้องมีทุ่งมาชาต์แบบนี้คุณลืมนมดเลยปฏิเสธหมดเลยมีเหมือนการนึกเหมือนกันแบบดูถูกเหยียดหยามเจอแน่ ล้ต่อมาครับอินนานาซีนาคุมอินนาบปวัฒแท้จริงเรานาซีนาคุมเราก็ได้ลืมสู่เจ้าเหมือนกันใครลืมก่อนก็มนุษย์ลืมก่อนใช่ไหมลนะ่ะเอาเราว่าเอนทำตัวลืมฉันก่อนฉันก็วันนี้ก็ลืมคุณคําว่าลืมนะอธิบายอย่างนี้ฉันลืม ฉันลืมคุณอยู่ในนรกคุณลงนรกฉันลืมไปแล้วอ้าวยัองอยู่อีกเลยก็มึงลืมอลา์วันนี้อลากลืมนรกลืมไปเลยอ้าวไม่รู้กี่ปีกี่ปีจำได้ไหมละ่ะท่านนบีสอนคนในนรกเนี่ยหนังหนาเดินเดินกี่วันสามวัน หนังของชาวนารกเดินสามวันหนาขนาดไหนคิดเองแล้วก็ติ่งหูนี่กับลายเนี่ยเดินเจ็สิบปีแล้วก็จากลายนี้งับลายนี้อัลลอฮฺมันหนานะ่าดูนะบีอธิบายว่าฟันของชาวนารกภูเขาโอหุดน่ะนั้นลำใหญ่อย่างนั้นแหละและที่นั่งของชาวนารกนะ่ะนี่มันยืนอยู่นะยืนในโลกในะยืนนะไนะม่ใช่นั่งนะ ถ้าจะนั่งทีนึงใช้ที่ประมาณตั้งแต่มักกะกับม ด, ดินานั่งเอาใครอยากเป็นชาวนรบเชิญเราไม่เป็นครับแค่แค่หนังหนาเนี่เราก็กลัวแล้วหรอคแค่จะหาที่นั่งเนี่ยใช้มักกะกับม ด, ดินาตั้งสี่ร้อยกิโลอ่ะไหวอะไรพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์ที่เพื่อนะทำตัวของเราอยู่กับอัลลอฮ์เรียนอิสลามพี่น้อง ใครจะดับเชิญดับอินานาศีนากุมแน่นอนเราได้ลืมสู่เจ้าลืมกุรทีนะต่อมาครับวาลูกูนี่ชิมอีแล้วจงชิมจงลิ้มรสจงชิมเถอิดอาซาบาลุคุดีอาซาบรการลงโทษการทรมานอัลคุลดีที่อยู่ไปตลอดกาล จมชิมการลงโทษที่อยู่ไปตลอดกันอลอหนักไหมหนักบีมากุนตุนตมต่อมาลูนที่สู่เจ้าปฏิบัติความชั่วเอาไว้อลอปฏิบัติความชั่วบนดุนยาเนี่ยมาจึงทำตามอารมณนะ์ไม่มีหลักการไม่มีใครรองรับเลยใช้ตอนรองรับอย่างเดียว ถ้าปฏิบัติตามอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รอรับมลายิการ้องรับมุสลิมทั่วโลกรองรับแต่ถ้าทําตามอารมณ์เนี่ยเดินตามชะต้อนหมดเลยใครรองรับไม่ีใครรองรับชะต้อนบ็หลอกไปหลอกอีกหลอกแล้วหลอก อ, อีกหลอกอีกหล อ, อกจนกระทั่งมันพารลงในโลกอัลลอฮฺอักุรรครับอินนาตอรักนากุมบินัลคอยลิสผูเจ้าเบลลาทิ้งความดีอัลลอฮฺ จะมีเป็นตัวเี่นองเอาลับตัวลงว่าโทษของคนที่ไม่เชื่อวันสิ้นโลกอัลลอ์จะให้เขาอยู่ในนรกตลอดก า, อาลอัลลอฮ์ใช้ภาษาว่านาซีตุ่มแปลว่าอะไรนะลืมเฉยเมยไม่สนใจมองด้วยความสายตาเหยียดหยามดูถูกศา ส, สนาของอัลลอฮ์สุบฮานูาอ์พี่น้องครับก็ขอตัวต่อรนะ้อนให้พวกเรายืนหยาดยูนศาสนาอิสลามนะครับ เก็ลูกลหลานรด้วยขออุาให้ลูกหลานเรานำมาให้อย่า ใ, ให้ขาดนะครับอ่านกุรอานซรู้เลาสม่ำเสมออิาล้อมปลอดภัยนะครับสุภานะลลาฮุมบิฮัมดิกะาลลาอิลลออัตัุรกะวะบูมบ้าน